ถ้าทําเป็นั้นที่โกงความเรื่อมใสายในาศาสตร์ทางใดๆเป็นการบังคับกันไม่ได้ความเรื่อมงสายในวัดใดๆในบุคคลใดๆก็เป็นการห้ามบาปทำไม่ได้นอกเพราะมีอิสระที่จะเชื่อหรือถือตามอิสระของตนแต่ว่าถ้ามันถือเกินขอบเขตไปมันก็ วนกันเหมือนประเทศจีนนืประเทศไหนไหนองักล่ะันนี้อ น, น, น <returned. S 2> ีนี้อันี้เลออั้าอนี่นเานนขาลงเรียนะบ่อืนี่อืออ <RGB. S 1> นี่<ๆ> <US S> นี่นี่นี่ขั้นเขารงเรี้ยงว่าขั้เขางเรียงว้านเขางเรีย่ขั้นเขางเรีย่ข้นเขางเรียนเขาลงเรียน อันเอ้อฮะอันาบูใช้มื่ไหร่ก่อนเนี่ยอาจะก้งเดี๋ยวเดี๋ยวคืคืมานน้ทางนี้ซะมามันบ่มาจักเกลี่ยมันนานเลยคือมานน้ทังทีซะคือมานน้ทังทีซะตอนนาเพิ่น มันมอมาจักเตื่อนี่มันหัว็มาเสียเดียวเี่ผมเห็นได้สองปีนี่สามปีนี่มันเห็นเพิ่งเห็นวันนี้แหละเพิ่งเห็นสปีสามปีแล้วม่เห็นมันแต่ก่อนเคยไปวินทบาททางนี้อืออือผมเชื่เขาปล่าลอือ ปากดีปากโอเนี่กดกอ้ะน่มาณดาวิดาของเขางนี่แล้วปฏิบัติกลชีพภระกรรมฐานมานานแล้วนั่งนู่จันวายบินน <c ười> ไปไปนะ น, นี่ออกไปทางนั้นออกไปทางนั้นออกไปทางนะั้นควดไปเนาะอือไปมาไปมอไป นั่นค น, นปากคือพูดไม่ออกพูดไม่เป็นนั่นนั่นนั่นพูดไมเป็นพูดกับพูดไม่เป็นอะไรอย่นน่ะแต่มาในข้าโรงเรียนยังมาใเข้าโรงเรียนแต่รูบาลเดาะเพราะมันพูดไปเป็น มณีนาวัติโลโกเทศทะเลโลกก็ย่อมเป็นไปตามกรรมอานิส ง, งส์ของสิ้นห้าต้อมีสิ้นห้ามาเตบูรณ์ก็คือพระโรดาวันเราดีนี่เองไม่เสดายอยากจะร่วมเมื่อสิ้นห้าและไม่เสดยจอยากแมนอวัยยมุขทุกประเภทเสือเป็นทางชีบหาย เ่วงตัวมากวานเะง่วพุ่นง่พุ่นงพุ่นือต้นเาะวน้นนะอืมไม่ใช่อาเมื่อสบายมุกอะับพุทธตัวธโมทังโคพุตัวธโมทังโคอ้าวพธตัวธโมทังโคอ้าค่อยไปเนะค่อยมองไปคลายคานไปเนาะคานไปเนาะคานไปคานไป มันไม่มาวัด่ทเลกมึงเพิ่งมานี่มันเกือบสามปีแล้วมันจะควันเห็นผ้าไปเป็นถมาดมักากาบ มันลองเรียกร้องเรียกถ้าเข้ามาส่บานอ้หู้หูฉันแ้าไปผู้มีชิ้นห้าบริบูรณ์เป็นผู้มีทรัพย์ทรัพย์เต็มไตรกราชก็ไม่เท่ากับมีชิ้นห้าบริบูรณ์เพราะทรัพย์ทั้งหลายเหล่านั้นมันหมดเป็นผู้มีชิ้นห้าบริบูรณ์ทรัพย์ภายนอกค่อยไหลมาเองเพาเป็นไปเองพอได้อยู่พอได้กินผู้ใดมีชิ้นห้าบริ มูลผู้นั้นต้องเป็นคนอดอยากผู้นั้นต้องไม่เป็นคนอดอยากทั้งอามิธภายนอกถ้าอย่างนั้นก็ไปพระนิพพานไม่ได้ศีลนะสุขติยันติผู้จะไปสู่สุขได้ก็คือศีลศีลเลนะโพคสัมบทาผู้จะมีโภคสมบัติภายนอกภายในทั้งศรัทธาซัพบทั้งศีลซับทั้งปัญญ า, ารัพยบก็ดีก็พระสิงเป็นรากแก้วของพุทธศา ส, าสนาศีลเลนนี้ผู้ติยันติ จะไปพระนิพพานได้ก็เพราะศีลศีล ส, สมาธิปัญญามันเป็นเชื่อกสามเกลียวมันจึงทนเชือกสองเกลียวมันก็ไม่ทนถ้ามีแต่ศีลภาวนาไม่มีมันก็มักจะหลงทานไม่มีถ้ามีแต่ศีลทานไม่มีถ้ามีพบเมชาอยู่ก็เป็นคนจนต้องครอบทานศีลภาวนา เป็นทังทางเข้าสู่พระนิพพานแว่นดวงใจแว่นดวงธรรมก็คือทานศีลพอนาะใครเป็นหัวหน้าเป็นผูท้ทาก็คือใจใจเป็นหัวหน้าทำใจมีคุณเป็นมหันมีทอดเป็นอ น, นันถ้าทำถูกก็มีคุณเป็นมหันถ้าทำถูกบ่อยๆก็เพิ่มความถูกบ่อยๆก็เพิ่มบุญบ่อยๆ ก็เพิ่มความดีบ่อยๆถ้าทำผิดบ่อยๆก็เพิ่มบาปบ่อยๆเพิ่มความชั่วบ่อยๆก็เป็นทางลงไปทางสู่แล้วถ้าทำถูกก็เป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัตินิพพานสมบัติเป็นลำดับไปแต่ผู้ใจสูงทำสูงที่สร้างอริยมรรคแก่กล้ามาแล้วหลายภพหลายชาติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภพสมบัติก็ไม่ปัจจุนาสียเลยเพราะเหตุได้เพราะเขาสร้างอรมีแก่กล้ามาแล้ว ก็ต้องการเพิ่มทุกนะปัจจุบันในชาติเท่านั้นผู้ที่สร้างมารมีแก่กล้ามาแล้วผู้ที่ยังไม่แก่กล้าก็ต้องการมนุษย์สมบัติบ้างคนสมบัติบ้างนิพพานสมบัติเอาไว้ขีหลังนอนาคตการนั่นเถิดในอนาคตการนั่นเถิดก็พุงนี้ไปรเรื่อยนิชาหน้าไปรเรื่อยแต่พื่อกระเือไม่ไม่รงในปัจจุบันผู้จะสําเร็จว่าคนานิพพานในชาติใดนๆนก็ดีชา้นพรัสดารันก็ดีชาตนพระสกทาคำมี้ชาติอัาคำนี้ก็ดี ท่านพระราหันกรณ์ก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันเท่านั้นจิตปัจจุบันทมปัจจุบันจะสิ้นความสงสัยในชั้นพระโสดาบันก็จิตปัจจุบันทำปัจจุบันในชั้นพระสคราคามนี้ก็เหมือนกันในชั้นพระอนาคามีก็เหมือนกันในชั้นพระรหันกรณ์ก็เหมือนกันน้โมพระโสดาบันเป็นหน้าโมที่ที่มีศีลห้าบริบูรณ์และไม่ถือสาวสารอื่นว่านะโมแปลว่าน้อง แล้วเขาเคารพนะครับเคารพชิ้นห้ามเคารพวุ่นเคารพการเขารบศีลเคารพอรนะจะปฏิบัติจะเลื่อมใสแต่ในศาสนาพุทธไม่เอาศาสนาอื่นมาบนเดยและไม่ถือเลยซือยามและไม่ถื อ, ถอน้ำมูล น, น, น้ําพรไม่ถืออ้าผูกแขนและไม่และไม่เอาพระมาแขวนคอเอาแขวนใจเลยบางท่านเอาพระมาแขวนคอแต่ว่าเวลา จะดื่มสซนก็ยกข้ามหัวพระมากิน <c oughs> แล้วก็แขวนคอพระไปรักเขาแขวนคอพระไปป้นเขาพวกนั่นพวกผีบาศนะเต่๋ยเราอยาไปเห็นเป็นผีบาศอย่างนั้นแขนคอพระไปฆ่าเขาพระมันจะบอกว่าถูทางหมาจงเอาลูกของกูแล้วแขวนคอแล้วก็ไปข้อทับจับสึกเนอะพ่อพรนมมาศาสราไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนวนะ่าอย่าให้มีเวรมีภัยเนอะเมตตัญจารถเรรคธรรมนี้มานะสัมภาระจอได้มานะ่ง จงเมติกากันทั่วทั้งตจโลกธาตุเนอะเอคาพุตตามนุลักเขเตรียมเหมือนวิดามารดาที่รักบุตรมีรูปคนเดียวนักกันในตจโลกธาตุก็งั้นกันจึงเป็นไม่เป็นเชี่ยนน้าต่อปาณาสุบะท่านพูดเคารอของตนก็ขอล้อของผู้อื่นจึงไม่เป็นเชี่ยนน้าแก่การอธินาชานขอล้อผัวเมียของตน ก็ขอรับภูมิคุของผู้อื่นจึงเป็นคู่กันกับการมีสมิชายการเราละความจริงเราพูดแต่ความจริงเราไม่พูดความแท็จเป็นคู่กันกับพอเราเห็นการเห็นโทษในการพูดความเท็จผู้อื่นฟังก็ไม่มีประโยชน์เราพูดก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเห็นตัวนี้กบฏบุญที่ในโทษสุราที่นี่ เมื่อเราไม่กินมันก็เมา อ, อยู่แล้วมอมอว่าจะไม่เกิดไม่เก๋ไม่เก็บ ไ, ไ, ไม่ตายมอว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุดเป็นอัตตาตัวตนเราไปยื่งกินเมาสุราเข้ามันก็ยิ่งเพิ่มบาปเข้าประนัดที่บาดถ้าเราเรักษาได้ถ้าเรายังไม่พ้นจากวัตรสายสงสารเกิดชาติหน้ามีชาติไม่พบอยู่เราก็เป็นผู้มีอายุยืนยงตรงทรงงานถ้าเราเบียดเบียนสัตวไม่ถึงกับเพาะมีแต่เที่ยนกระตี เกิดชาหน้าเป็นผู้มีอายุยืนยังยืนก็จริงแต่เขาเป็นโรกมากขาเบียดเบียนขัดบุคคลผู้มีลูกมีเมียมีผัวเขาก็ไม่เกงไม่ขามสิก็พาะเคยได้วงประเวณีเขาแต่แค่ก่อนเขาโบราณศาสตร์พดาพูดนั้นนะตายไปแล้วไปตนกนรกอีกขึ้นจากนรกมาเขาเป็นไปออกจากเปียต์มามาเป็นมนุษย์เป็นสัพย์ที่รักษานเนี่ยจึงมาเป็นมนุษย์ ชี้ขาวดก็อันนัตนละลบมดนับแต่ปารปฏิบัติสินอากรรมมุสาสุาข้นจากนรกเมืาแล้วมาเป็นเปรตพ้นจากเปรตมาแล้วมาเป็นสัตว์ประหลานจึงมาเป็นมนุษย์เนี่ยแค้นพรสวัสดิบันจึงคิดประตูคิดประตูเวนสกุปปะตูโตไภเวแล้วมันแปลเว้นแล้วเวนจําพวกนี้ชี้ขาประทางสมาธิานี้ะเป็นชี้ขาบดหนึ่งคือบทของใจสินห้าถ้าเขาถ้าเราไม่ล่วงละเมิดมันก็มาเป็นศินตัวเดียวอยู่ที่ใจ มีห้าเกลียวอยู่ที่ใกลเกีียวพระพุทธเกี่ยวพระธรรมเกลียวพระสงฆ์ก็อยู่ในที่นั้นด้วยเกลียวพระพุทธเจ้าทั้งหลายเกลียวพระธรรมทั้งหลายเกลียวพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็มารวมอยู่ที่ศีลด้วยเช่นเราจําหนังก็ถูกเงื้อถูกเอ็นถูกกระดูกเหมือนกันเช่นเรารักษาศีนก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ด้วยกันเช่นเราภาวนาพุทโธก็มีธรรมโมสังโฆอยู่ที่นั้นพุทโธแปลผู้รู้ธรรมโมแปลสงฆ์ไว้เึงผู้รู้สังโฆแปลปฏิบัติผู้รู้ก็อยู่ด้วยด้วยกันเหมือนกัน เหมือนเชือกสามเกลียวพุทโธในชั้นพระเสดาวันพุทโธในชั้นสักทาคามีพุทโธในชั้นพระอนาคามีพุทโธในชั้นพระอรหันต์พุทธพระอรหันต์เรียนพุทโธจบแล้วเขารบน้อมจนมามาเกิดเจ็ตายพุทโธพุทธชนคนหนาเป็นพุทโธเลีกพุทโธขาพุทโธวัดพุทโธเบอร์พุทโธพิบาพีวออะไรอะไรไรสารพัดมันก็ไม่จบทำโมกมันกันทำโคกมันกันผู้ให้ทารักษาศีลพุทโธนาผู้ปฏิบัติประพฤต พ่อมาจันนว่พพุทธศาสนาเนี่ยผู้หวังพ้นทุกข์โดยดว่วนนปัจจุบนันใชาติผู้นั้นเขาสร้างอะไรมีแก่กล้ามาแล้วถ้าเป็นดอกบัวก็เป็นดอกบัวตูมผู้ที่หวังมนุษย์สมบัติสอนสมบัติมสมบัติอยู่แล้วจึงจะไปเอานิพพานภายหลังเจตนาผู้นั้นก็อุปมาดอกบัวที่กําลังเสมอน้ําผู้ที่ถือว่าไม่มีบุญไม่มีบาปเชียรอยว่าคล้ายๆกับว่า ดอกน้นรกหองมืดดอกบัว um. อยู่ใต้น้ําดําเป็นภกษาแห่งปลาและเต่าดอกบัวแต่ละดอกละดอกละดอกละดอกก็มีอยู่ทุกยุทุกการทุกสมัยของโลกตันี้ก็เดียวกันก็มีต่างดอกก็เดียวกันเปรียบเหมือนคนในโลกแต่ละดอกละดอกเปรียบเหมือนแต่ละลายของบุคคลดอกที่บาดก็บาดเต็มภูมิดอกที่ตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกที่เสมือน้าก็เสมือน้ำเต็มภูมิดอกใต้น้ำก็ใต้น้ำเต็มภูมิ มันเป็นธรรมนาอยู่อย่างนั้นถ้าเรายินดีเรื่ยมสายในพระพุทธศาสนาก็ให้เป็นเครื่องตัดสินว่าเรานี่สร้างบา ร, รมีแก่รกล้ามาแล้วเราเป็นมแมลงผู่มแมลงพึ่งไม่ใช่มมแม่แมลงวันอิสระเสรีของเราพรรคของเราก็มีเหมือนกันประชาธิที่ประทยของเราก็คือประชาชนที่ยินดีในร่ำบาบรบาเพ็ญบุญประชาธิที่ประทยของพวกมแมลงวันเขาก็ยินดีในมุขคู่ หมูเพื่อนและประชาชนที่ปไตยหรือหมูมากลากไปมันก็มีพอได้อ้างเหมือนกันเมื่อไรวันมันก็ลากไปทางมูคูดเมแ็งพึ่งเมแรงพู่มันก็ลากไปในทางแก่สอนออกไหมมันพอมีที่อ้างได้เหมือนกันใครใครก็ได้อ้างใครอยู่ในระดับใดก็ต้องยืนยันในระดับนั้นว่าเป็นป <Yeah. S 1> ระโยชน์แก่ตนส่วนพระทหารท่านก็ยืนยันว่าไม่มาเกิดไม่มาแก่ไม่มาเก็บมาไม่มาตายเป็นประโยชน์ของเราท่นก็พูดอย่างนั้น ไม่โรคไม่ขวดไม่หลวงเป็นประโยคของเราท่านก็พูดจากนั้นทีนี้ใครอยู่ในระดับใดทำของพระบรมศาสดราเพศอยู่ในวงอันเดียวกันฉไหนเทศกันเดียวกันคนหนึ่งลงนรกคนหนึ่งไปสวรรค์คนหนึ่งเป็นเทวบุตรคนหนึ่งเป็นเทวดาคนหนึ่งก็สําเร็จพระสาัสบัลคนหนึ่งก็สักกาคามีคนหนึ่งก็พระอนาคามีคนหนึ่งก็พระอรันคนหนึ่งก็ลงนรกเพราะเหตุใด เพราะเครื่องรักมันผิดกันมันอยู่ระดับจิตของใครของมันนั่นเทศกันเดียวกันนะครับเทศแต่และกันละกันเทศส่งต่อถึงพระนิพพานหมดแต่ว่าผู้จิตอยู่ในระดับใดมันก็ยืนยันเอาธรรมะเข้ามาสู่ตัวไม่ได้ไม่ได้เอาตัวปีนขึ้นหาธรรมะเอาตัวเป็นบั น, บนทัดเอาธรรมะเป็นที่ฆ่ามารักษาตัว สิ่งย่อมเป็นไปไม่ได้สินี้เพราเรามาศาสดาทำไม่อยู่ก่อนเนี้ยท่านจึงมาจําแนกทำให้เราทั้งหลายรู้จักถ้าทําให้มีอยู่ก่อนท่านก็ไม่มีสิทธิที่จะมาจําแนกเพราะฉะนั้นท่านจึงเคารพทำพราบรมศาสดาเกง่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายร่ายกฎพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมาสวดเศษสวดให้พระสวัสดิบาลเป็นพุทธชนก็ไม่ได้เธอจงเป็นพุทธชนซะนะ เราเป็นพระพุทธเจ้าเหนื้อท่านไปแล้วเราทั้งหลายพระเจ้าทั้งหลายจะมาโจมตีท่านให้ท่านเป็นพูพุทธคนนะมันก็เป็นไม่ได้เหตุฉะนั้นเทวบุรุษศาสตราจงเคารพทำทุกทุกองนั่นะตอนนี้เป็นข้อสาคัญชาวพุทธคนพิจรารณานะผู้ใดไ ป, ประพฤติทำผู้นั้นประพฤติเราผู้ใดยินดีในธรรมผู้นั้นยินดีในเราผู้ใดประมาททำผู้นั้นประมาทเรา ผู้ใดประมาทผู้นั้นศาสนาก็คือผู้คู้ประมาทเรานั่นเองผู้ใดปฏิบัติใจก็คือผู้นั้นปฏิบัติตนน้นหญิงนอกเน่าเขมาอีกผู้ใดเบียดเบียนใจก็คือบวชผู้นั้นเบียดเบียนต้นผู้ใดเคารพใจก็คือผู้นั้นเคารพตนเคารพในทางที่ถูกเนอะผู้ใดสร้างความดีในใจก็ค่ายกับว่าผู้นั้นสร้างสร้างความดีในตน้นทําอะไรก็ทําให้ตนทางนั้นตนคือใจใจคือตนในขั้นสมมุติของว่าตน ถ้าทำนี้อัตโนมัติตนเป็นในพึ่งของตนใจเป็นทีพึ่งของใจทําป็นทีพึ่งของการควาก็มีความหมายอเดียวกันนะทําความดีเป็นที่พึ่งของตนทำความไม่ดีเป็นที่ร่อนใจของตนเมื่อทําดีทั้งทั่วแล้วก็เป็นทีตร่อนเข้าครอบมันโผล่แล้วก็บือมึงต้องเข้าคอกนะอไม่แต่ว่ามันเข้าเองมันคือคอกใจทาบาปแล้วก็ไรเข้ามาสู่ครอกใจทําบุญแล้วก็ไรเข้ามาสู่ครอบใจ นี่เมืองขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดธรรมารมเป็นเมืองขึ้นของใจเป็นโทรเลขส่งส่งด่วนทั้งใจใจเป็นผู้รับโทรเลขรับเพรีรับถูกขึ้นอยู่กับใจพวกนั้นไม่มาแยกเอาเหตุเอาผลด้วยทำดีทำชั่วตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่ามาแยกเอาเห็ุเอาผลด้วย เพราะผู้นี้เป็นผู้วงการเป็นผู้หัวหน้าเนี่ยเป็นผู้วางแผนเป็นหัวจับเนี่ฉะนั้นพระธรรมเทศนาของพระสมัยพระพุทธเจ้าจะถึงแปดมือกีพระธรรมขันธ์ก็จริงนับลงในฝ่ายสังขฆโหเรียกว่าสงฆ์ลงตรงที่ใจอลงที่ใจแห่งเดียวมีศีลตัวเดียวมีสมาธิตัวเดียวมีปัญญาตัวเดียวพระอรหันต์ก็มีศีลตัวเดียวคือศีลตัวที่ไม่มีกิเลสมีสมาธิตัวเดียวคือสมาธิตัวที่ไม่มีกิเลส มีปัญญาตัวเดียวคือปัญญาตัวที่ไม่มีชีเล่นั่นตกลงเป็นเอกันิบาตลงอยู่ที่ใจยวดลงมาสังขหะลงมาทีนี้แปลดมืออินทรัพยธรรมขั น, น, นสอนคนนี้เป็นอย่างนี้สอนคนนั้นเป็นอย่างนั้นสอนคนนั้นเป็นอย่างนั้นสอนรงนั้นเป็นอย่างนั้นสอนว่าก็เอามารวมไว้ไอ้ที่แท้สอนสินสมาธิปัญญาอันเดียวกันหมดสนอนแห่งพ้นจากวัาสงสารอันเดียวกันหมดรสชาติมีความเอาหมายต่งนั้น แล้วก็มาครบแปดหมื no ่นที่พระปีพระธรรมขันธ์ที่บุคคลเราย่อมมีการทิพตทุกท่านในด้านปัญญาทีนี้มัจักขูห้ามังสาจักขูจักขูคือดวงตาทิพย์จักขูจักขูทิพพุทธจ้ักขูจักขูพระพุทธเจ้าสมัญใจจักขูจักขูรอบครอปัญญาจักขูจักขูคือปัญญาสมัญใจักขูคือจักขูรอบครอบกับปัญญาจักขูจักขูคือปัญญา นี่เป็นปัญญาสาคัญในทางพุทธศาสนาสองทะลุเลยเราเห็นอันนี้จังคณะเดียวเราก็สองทะลุโลกหมดเลยเพราะโลกเต็มไปด้วยอันนี้จังเราเห็นทุกคณะเดียวเราก็สองทะลุโลกหมดเลยเพราะโลกเต็มไปด้วยความทุกข์ชาติพ่ทุกขาอย่างนี้อันเดียวเท่านั้นก็ถ้ากล่าวว่าก๊าปั้นตีดินนี่มันถูกหมดนี่ยก๊าปั้นตีกระดานนี่มันถูกหดใจลกชาตินี่ก็ไม่สงสัยถ้ามันเห็นชัดอ่ะถ้ามันเห็นแบบแก้วกรวขากินข้าวกับกล้วยแต่ว่ากินอยู่ก็ไม่รู้จักกล้วยนี่ มันก็เป็นแบบหนึ่งถ้ามันเห็นด้วยพ่อของลมหายใจเข้าออกแล้วมันก็ชัดทีนี้เห็นความเกิดแก่เก็บตายพ่อของลมหายใจเข้าออกก็ชัดเห็นคุนมาพูดมาทำมาสองพ่อของลมหายใจเข้าออกก็ชัดก็ไม่สงสัยอีกเห็นอันนี้จังทุกคั้งนักการพ่อของลมหายใจเข้าออกก็ชัดทีนี้เบียดที่เข้ากำหนดลมเข้าไปแล้วก่ะไปพักอยู่ทีนี้ไม่ยินเสียงเลยอันนั้นงดกำลังแล้วก็ถอนออกมาก็รู้จักว่าแต่สบายเท่านั้นแต่ไม่ได้วิชาปัญญา แต่กิเอย่างหนาอยู่ยังไม่พ้นเมื่อกระทบอะไรก็เกิดขึ้นเหมือนกันอันนี้เพราะไม่ใช่ปัญญาเพราะเพราะทำงานยังไม่แล้วเขพักเฉยๆถ้าะจะปฏิเสธเพียงแค่นั้นก็ไม่ได้ทีนี้เแบรบนึงนั้นถ้ากำหวดลมหายใจเข้าออกเข้าไปแล้วมันลมหายใจหมดทีนี้มันรักษา อ, ออกมารักษา อ, ออกมาเป็นอุปัชฌารละสมาธิทีนี้นเปลี่ยนรูปนิมิตต่างๆสารพัดของเหมือนเดินอากาศตีฮกเขมร เย็ดเมีนแปดเมีนนี่อะไรก็ขม่ีธาเหอะไปทางอากาศสามัรถ ด, ดันลินบินวนไปได้หมดกําลังก็สอนออกมาหมดกาลังก็สอนออกมาก็คืออ น, นิจจังอละเอียดนั่นเองนั่นผู้ที่มีปัญญาไม่หนีหลักอ น, นิจจังทุกขังอ ร, รากาแอกไม่สําคัญตัวและย่อ ม, มันเป็นบ้าด้วยบุคคลทุกเป็นบ้าเพราะไม่นอบลงมาสู่ใจรักมันก็เป็นบ้าทั้งนั้นเพราะเท่ากันว่าตนตัวเราเขาสันบุคคลในที่นั้นถ้าไม่สําคัญว่าตนตัวเราเขาสันบุคคลทําเป็นแต่สภาวธรรมยิตเป็นแต่สภาวจิตผู้รู้เป็นแต่สภาวผู้รู้ ลมหายใจเขาออกเป็นแต่สักบลมหายใจเขาออกแยกออกอยู่ในตัวเป็นอนัตตาทําเป็นอนัตตากิจอยู่ทั้งนั้นพิบ้ามันจะมาจากประตูไหนพิบ้าวที่มันมามันก็มาเพราะถือว่าตนเก่งงั้นเองใครประเทศมันก็ไม่ลงไอ้ที่แท้เขาตกนรกมาแล้วเขาข้ามไปแล้วเขาจึงได้มาบอกมาบอกตัวถ้าเขามาบอกตัวนี่น้าเสําก็ล่าะปู่เขาในใจว่าตัวภาวนาไม่เป็นได้แต่คําพูดเฉยๆประเทศเขาเขาจะฟังอะไรนมันไปมันเห็นฉะนั้มันจึงเป็นบ้าคนเรามันก็บ้านั่นแหละบ้าที่ทิฐิมานณฑ์ ถ้ามันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วมันแยกออกมาแล้วดินเป็นดินน้ําเป็นน้าไฟเป็นลมอดีตเป็นอดีตอนาคตเป็นอนาคตไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่เข้าไปยึดถืออยึดรู้ตามมันจริงปฏิบัติตามมันจริงลดพ้นจากความของตามมันจริงด้วยบ้ามันจะมาจากที่ไหนมันก็ขับนีหมดแล้วเพราะปัญญาทันมันเช่นเราลืมตาอย่างนี้มืดมันจะมาต่อที่ไหนมันก็ไปแล้วเนี่ยข้าไปเจ้าจะลาท่านไปละท่านลืมตาแล้วมันก็แปลว่าอันนั้นก็เหมือนกันพอข้อใจผิดมันก็ไมาลาเรามันก็ไปเลยมันไม่ขบคืนอีกด้วยอันี่มันเขบ่่คืนอยูี เราเข้าอะไปคัดพวกกำลงหให้แกเข้าออกอันนั้นไม่มาขบดคืนถ้าขบคืนอยู่ก็ไม่ใช่ทางโหกุตะละเป็นเป็นโรกีมันไม่ขบดคืนถ้ามีคนมาโกหกพวกเรามาโกโรคอยู่ที่นั่นโรคอยู่ที่นี่มันเป็นทุกขนะ์นักเราก็ฟังได้เออถ้าท่านพ้นจากทุกข์ไปแล้วเราก็จะรับรองถ้าท่านยังมีกิเลสอยู่จะทุขจะมาจากที่ไหนเราก็แย่งอยู่เหมือนกัน น, นี่น่ะในใจโลกกับท่าน ถ้าเราเข้าใจเถิดว่ามนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้สัตว์โลกได้แก่สัตว์โลกโอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกพุทธโลกสัพพโลกทั้งพวงย่นลงมาเป็นสังขารโลกสังขารโลกโลกแยกออกเป็นสองอุปาทินตาสังขารสังขารมีแก่คลองอนุปาทินตาสังขารสังขารที่ไม่มีแก่คลองจริงแล้วนี้เกิดขึ้นในประ่วนั้นแต่ขลายนะ โลโกสิ่งเหล่านี้แปลปวนแล้วแต่สายเมื่อเราเห็นสิ่งที่แปลปวนแล้วแต่สายเราก็เห็นโลกหมดที่นี่ส่วนที่เราจะเบื่อหรือไม่เบือ่อหรือไม่นายมันก็ขึ้นอยู่กับเราที่พิจารณาชัดหรือไม่ชัดเท่านั้น่ะว่าจะพ้นหรือไม่พ่นก็ขึ้นอยู่กับที่เราพิจารณาชัดหรือไม่ชัดเท่านั้นเราจะไปรสายสงสัยโลกอะไรอีกใครจะมาโกหกพกรลมเราอีกเราเห็นอยู่พ่อมกขาลมหายใจเขาออกและพ่อมเขาสนธิคิตที่นักคิดอีกด้วยนั่นถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครพ้นจากความหู้ของตนไปได้เอวัง เอาละเหนือยแล้วนี่ไฟแรงขึ้นแล้วไปเป็นซุปเป็นซุปที่ปีนขึ้นเขามายากก็พูดให้สมปีนขึ้นเขามาให้เลยหรอกปอดสาาร์ตหวาหรือมาจานเดิมถ้าหมายเขาใหญ่คือมาจาย์เดิมลมมันจะเข้าออกเป็นอาจารย์เดิมคนกับพ่นอยู่ในที่นั้นไม่พ่นก็ไม่พ้นอยู่ในที่นั้น เธอจงพิจารณาโลกนี่โลกความดับตังหาอันเป็นธรรมละเอียดข้อเขาลมหายใจเข้าออกเธอรู้พ้นรู้ไหมรู้พ้นเธอพิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นกายะกายารุปัชนาอยู่แล้วเธอพิจารณาเวลาลมหายใจเข้าออกเห็นเวทนาทุกทุกุเบกขาเกิดขึ้นแล้แปลแปลปวดระดับไปก็ดีก็เรียกว่าเวทนานุืปัชนาพอดีเธอพิจารณาลมหายใจเข้าออกเห็นจิตที่สร้าหลงหรือฟ้องแท้ก็เป็นจิตารุปัชนาอยู่แล้ว เธอพี่จรณาลใหาใจเข้าออกเห็นทำฝาเกิดไฟดับเห็นทำฝาให้เกิดไม่ดับพ่อกำลมหาใจเข้าออกก็เป็นธรรมานุปัฏนาอยู่แล้วนานส่วนจะพ้นหือมาพ้นก้นก็ขึ้นอกับความชัดของตนพ่นจากคองมรูของตนคำว่าพ้นก็พ้นจากคองรูของตนคำว่าไม่พ้นก็ไม่พ้นจากคองของตนพ่นก็พ้นอยู่นี่ไม่พ้นก็ไมพ้นอยู่นี่เพราะมันเป็นสงครามกันอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่เป็นสงครามันอยู่ที่นอกระบบบริหาร ขอนตัวนี้เข้าหัวหอกโมย่อมกันคิกดีมาแล้วนนี้จะพูดตัวช่นะเพราะนี่พรทหารโมยี่เขทํานพระวดาบันระคนน่าพระน่นก็ไดที่ยังพระเสดาวันเท่านั้นสมัยนั้นพระอนุนเลยไปีูกทวดยหันเนีเขาก็เลยใส่บากให้กินให้ย่อมกันเละย่อมกันแล้วมุรราชบัดย่อมกันแล้วเขาเขเลยใส่บากให้กินหัวหอกอะไรให้อี่าตั้งใจพ่อหน้าเขาฉัน ที่เจ้ากท่านสั่ไก่พระวนาที่ท่านเป็ น, นปรหารักกาบมาทานบอกคช้าแล้วจังจะพยายามมาพดทธก่อนเราเรื่องสร้างเัรนญพระกรท่านสร้างเจัิญก็สร้างเขา่สูงอยู่ไรจักเรต่อยโตคนละหน่อยตง่ า, ตายตเบาโแพ่เยอะกัดเยอะกิน ได้ไม่ไมว่าไสร้างห้อยมันดึงอควานซาง่ายละเอตัวใน้อยทั้งนี้แลนขับพุ่นท้องคนเราว่างอ้อย้องลเยสีเหยียบตายตัวใน้อยอันใดถ้าในตัเหยียบน้าจุนนองมัเนี่ยชไปกินน้ำข้าวตกแลนอควานตะกวนนําคุณชิอเอาไดไหมอนีไม่กินอ่ะตัวในน้อยตก่มเาะมจะนเป็นบ้าคืออค้านซาไปกินปัาถ้าในตัแลน ทำนหน่อยๆทำนึ่งแ้วแลหลอดคนท้องคนถงไรสิยับตายเฮ้ยจะมาอะไรว่างง่าย่สนห้ตัวยาพาราไดต์ค น, ยย อ, นอยู่ยุกระต่ายปมิดไ่มีต่ำนะไม่มีสูงมายูนะใช่ใช่ตอนนี้ใช้พระเกจิเชนยุกระตายปมิดไม่มีต่ำไม่มีสูงมายูให้เราดีๆไม่สนนี่ไปนี่ไปก็ได้แต่พอพระพุทธเจ้าแต่นี้นออนมือเดียวกัน่ะแต่พอกันมือเดียวตั้งใจว่า นพระพุทธเจ้าวันนี้นี่อุกขิปปฏิบัติอยู่ในหอดมือตายไงสร้าง่ายเง่นมือถือคือขอนหลอกอยู่อันนี้มาทาอันตรายอันตรายขามันเง่ามือแรกมากค่ะจะเล่นทํานี่มากเอามาไผมามาเสียไฟมาสีไฟเอาก้อนหินมาเผาเอาก้อนหินมาเผาก้อนหินแบบง่ายๆจำนี่จาอูนี่เนี่ยนี่ มาเผามาเผาตึงน่องตึงน่องหินตึงน่องน้ำน <mid> ้อ่างหน่ะแล้วคำว่ามัอจะพุบอยู่ใครไปองค์เจ้าไปอาบก็เนี่ยโอ้โตจน้พอน้ำอาบบเาจะไปอาบก็ส่งพระองค์เจ้าไปชงน้ำพันนอาพันน้อาผาาแพร่เราขึ้นมากขึ้นมากสาคดีใหย่สาอุ่นกวาหินกวาน้ำขึ้นมากอีกเรื่องมากเผาอีกเนี่ขึ้นมาก องค์ามนี่โอกาสก็เศ้าจหาหัวบัวกว่าให้พระองค์เจ้ากินตำชักกระบอกนี้พระองค์งามพระองค์เก่าพระจีนพะบาทดวตารักขิตตะวัไปไปนกับอะไรนี้บ้านกรต่ า, า น, น, าสสนาัพระองค์กระานั้นพระองค์ถือผ้ากีวก็บาดไจนี่สอดสีแดงเห็นว่าพระองค์เก่าว็ได้ค่มผ้าก็ถึงนี้จะผ้าวิายญาณใกล้ข้าบ้านนะข้างปลายักิตตะวันนี่ขคงจิบว่ามันเป็นาอทองบาดยังี่ ที่เป็นท้างคืนพูดตรงๆไม่ไีข้างตัวชาวบ้านชาวบ้านรถพึงห้อง่าับโตก็ะไปน้ำห้องออกไกลบ้านแล้เขา้ยงงวงขางหนาโั้เขาติดมาขาด้วยครับท่านอะไรอะไรเออเชียงห้วยเี่ครัานโต้ไปน้ำห้องก็คงจับผ้าสาานออกเพรใกล้าวานพระองค์จ้าครับอาบัติทนสรแล้วก็คุมพาสางกเชียงห้อยเชียงหอวยไปอปยุบเออ คุท่าเสือนั่นคงขึ้นทีวยพระคนไปเลยที่จังผู้ตะกร้อหเองหอกคือถ้าอัตขับก็เกินจองอาปาได้ไหมจองคนจังสิบบ่ขอส้างไหมพอออกมาเลก็สร้างกรรมภาพอว่าโพงเจกะแล้วห้าป่าพาข้างข่าโองเจาะไปยื่นโพงเจาะอึดมากชู่นึงชู่นึงชู่นึงชู่งชูนึงอันนี้เยอะมากเยอะมากแลยก็พระช้าเล ตอนการักษาพระาสาสองค์เจ้าอยู่ออกาจ น, น, จ น, นาา แ, าาแต่ละพรรษาของเออกพราะองค์เาจนน้นไม่ขกเพราะว่าแล้วก็ปุ๊เวลาเ้าจหาหัวบัวมาตาเสกี่นี้เลย้พระองค์เจ้าสั่งงมหมอน้าหามาเลยอกบักหม่บักไรอันนี้พอดื้อยืดเตมเก่ามากแมีเรื่งตัวหนึ่งมามากไปจอรักกันอีกเรื่งตัว ตัวนึงเลื่องตัวนึงว่ามันจะรับได้กใหมว่ามั่นอันนี้อันนี้ของใหม่อันนี้ก็ัมาายให้พอองค์เจ้าเ่องนักปัดจะรับปัดโดพ่อการนะว่นเรื่องนะแต่เอาห้องเพืงมาแม่มันห่างไปไม่เอามาให้พ่อองค์เจ้าพ่อองค์เจ้ามันเห็นตัวมันยังือตัวหนึ่งมันจลายค่ายังหันนกับได้รับพ่อองค์เจ้าได้โบกิมนนเื่อว่าขึ้น มันย <formation> er, ังงัเรอเอามาเดิมาเบิโอ้ <laughs> ิ Loud, <laughs> ันแม่ตัวนี้ทิอยู่นี่ทิ้สรไจแล้วก็ออกทิมออกทิ้มแล้วพวองค์เจ้าก็ได้สั่นให้สั่นให้เตนขึ้นก็ไม่ขึ้องค์โค้งดีใจไรก็ต้ไม่กีเหี้ตายแล้วไปเคิดปนทวาบุตรื่องวุ่นวันนันนี่การเอาพระชั้นนี้ฮะพชั้นนี้ออกข้าวาแล้วก็สิไปหาพระองค์เจ้า้วะอนุน ภาครอบขนาดตอนนีพยายามพระองค์เจ้าพระท่านชิพระองค์เจ้างคจักแล้วพระองค์ทรงอยู่ในพระนรานจัก้าอืนเป็นพองค์เจ้าภาพขนาดครอบขนาดไป่ล้วครับุนมากคือเดิมตาลักขิตตะวันในผู้เนี่ผู้น้อยเนเขาจีไป้น่อยสญญาโยนหรือมันจะไม่ทราบว่าในผู้นี่ยมันจิเป็นแหลมๆมากครับอาจารยาลักขิตตะวัน ต้นผู้มันนี่ต้นจันไดยอดก้อนหินพอนเขาไ็ทำไมสมัอนี้ก็ได้ได้แต่สรัดตะกุืนมันีอยู่าปนันทเห็นพออรมันต์ทอดูเดียวทุกขอด้วยห้อยห้อยมุญนี่มึงพระองค์นี่เขามันฉันมันมันไม่มีควารักกุศลตีมันนะมันไั่เคตาพาไม่เคยตาพามพาพระองค์เจ้าอกุลติมันพระองค์แล้วมันไม่มีอวัเลย คำนันแปว่าบาดตัวันพระองค์เจ้าไขว่าหกตีนั่นใช่ไครับคำนั้นมกอร์ดมีตำโมกิทุงสร้างตัวนัพระองค์หุ่จักรพราสร้างเลยแต่ห hmm. hmm. ุ่นจักรพรรดิเสบกการีก็หุ่จ้าพรรอินีเสบกกาว่างลุเล่เล่เล่เดาบอกสร้างว่าเพราะถ้าเนาะนะเพราแต่พ้ายกันเอืมันเจาะาาเรเองต แม่ตาขาแล้วเอื่อนคนว่าค่ตระละว่างไว้สังเกตวันพระองค์เจ้าบว่างวันนี้พองค์เม่ได้ตาขาวันนี้ไ่ได้ตาตะว่างบันันใช่ไหือกระสงสัยล้ออ่ะันกระส่งสายพานวดไหมเห็นท่านปฏิบัติเข้าว่าทนไ่ได้วางว่าวังเงาวางหยังเลยท่านนี่ใครเลยปฏิบัติเอามาตาหยังเลียเถไ้อขาคนยังไงกัก็เลยขิมขอดขีมขอดตะก้อนบอก่นะ เป็นพระ อ, องค์เจ้าเละยทรงเสิ ม, ออนน ม, มันพระอาคว่าหลวงจงหัวจักมันของพระเทวราวันนี้นี่ชาวแสดงเห้ว่าได้ไหนี่ชาแสดงเห็นว่าขอาา ค, บครบมันมีต่ไม่สูง ม, มาอยู่จะขนาดไหนมาสิอยู่ไนเขตองนวอออออนสันั่นบัดนคุณวโทษว่าอยู่โทษนี่เพราะนี่พระ อ, องค์เจ้าก็เลยถามพระพองอ่นมากหรือ ทำไป่เหมือแล้วมากข้าน้อยแล้วสั่งยึดเาเงียบก็ราฟังอยู่นเพื่อครอบครองสั่งสืบวงมาลวดจัดจัสิเสียความครอบครอให้ข้านอยมากสืบวงสกปรก่าจิกวนแห่ไปาหาบ่รู้สิตกวนให่ไปาหาอะไรกัน้ยแล้วกระบอกเพิ่นมาจะตีอะ้รเข้าสีว่าอย่างนู้นสับงอ่แล้วลอ่มากัมากนส่งเ่มาหาพรองเจ้ามาพระองคเจาสร้างแระนัดอีกขึ้นขอมาไปะตาเอานี้มาให้เาสั่ คุณพกันวน่ายังร้ามาวุ่นแต่สิเอาไว้จะพ่อผมจะพูดเรียวพ่อนี่ก็พ่ออนนัเนอี่เออเาจะไปส่งไฟกันนะสั้นจะช่าเรีกพลังานอะไรได้หน่าพลังงานน้อยเราจะไปส่องไฟได้อะไรได้สั้นไอ้เพื่อนมาข้าสั้นตามตัวเขาเรยว่าพวบอะไรมากมาๆอยู่ก็คือมันขึ้นหนึ่งสองชุดชุดสี่เยวก็ขึ้นหนึ่งคือพระขอตืตนมเสาไปเป็นเบ่า แม่บาตเมืองทราบจนกระหาบักใหม่บักใครมาถวายพระเส้นยังละล้ำมาบวมาน้าอีกอันนี้ว่ามาเป็นเี่ั้นเพราะนั่งนั่ ง, งศักษากระพร่บวาสรมหาขรรอยวาคือหอดพระองค์เจ้าบได้กินในท่าบัเจ้าบาจา ก, าากพกกระสันคือหอดพระองค์เจ้าร้ายเหมือน คือหอดสีนหอดท่านมาคือหอดท่างกามาร่อหน้าวายท่านคือหอดสีลดหอดท่านเลยเข้ามาคือหอดเองนะท่นไม่ต้องกินไม้แล้คือหอดแบบสู้แบ้สาวท่านนั่งกระว่ารับไดแล้วเขานอยนะ่านจะไปกินในท่านน้่งเท้าของเจ้าไปั้บาลเท้าองเจ้าพวกเขาน้อ้ทา่านจะแต่ตป้ jo, งบาลข้าวตี๋สั่งาสั่าสั่งเเพื่อว้ไสิดีไปกินอังกฤษนะ่นแต่แป้งบาลข้าวตีนะ้งบาลแป้งพกไปพระธรรมสืบมือหองนะท่าน <hurricane> ส้างนนั้นรายะแท่งหมากตทองพวกมีส่สาสีแดเห็นหยังไงสาสีแดงเห็นว่มนั่นเขาฝากพระมานิมนต์ก็ตามเขาไม่ได้ใส่คันตีนิมอนองเขาไม่ได้มาเองก็ตามขันผู้เขาได้หวังเอาโทษเอาพ้าให้เขางเจ้าเขาไม่หวังไม่เลยไมเดียมเขามีศราท่าจริงแต่ขวนไปให้เขาอันนี้พอข่วนเป็นถือเป็นอย่างยยันกัน้นนี่จว่าอะรเอามาบอกว่าว่าหาแต่อะไรขันตีนิมนต์มาถึงฝากพระมา ฝากพระมาในมณฑ์กระต่า่ไหมแต่เขาถึงชินทั้งท่ำแล้วคำว่าไปสงสัยเขาใช่ไอันนี้อันนี้คั้เอาเป็นอย่างย่งอันนี้วางอันอว่าก็อแล้วจุดหาไปเขาขั้ตีนี้มณฑ์หาแล้ว่ถูกพูด ท, ที่เชื่อใจได้สงสัยเขาพราะองค์เจ้า ก, กรไปเองเพอองกกระองค์เจ้าไสงสัยใหน้าวิชาภาสมาเด็จพรเชษาบัณฑเลยยคุณจะเชื่องเพียงสร้างมากเชื่อกระต่าทนนั่นเะถามพระองค์ใหญ่เลยหน้าพรเชษาบัณฑอวนหน้าวิชาคา เขาไม่เนมาท่านเขาสามารหวังระยะสั้นให้าผู้ขาอันที่พบปีเลยฮะเดีไปผไกบ้านผัวให้เดียวผัวผู้หููให้เดียสู้ผู้ดีให้มีเงินมีข้ามรายเขาสมัดปะทะนะจะสั้นกว่าน่อยนะฮะโอ้ยนั่งเงยสัเขากันยึบใจก็บเขาวานของผู้โถ่เอ่มันขามผู้ทุกข์ทข์ขนหนามากเลยอ่ะมันขืนถงวธารมดาเลยเออทับมันได้ในพระพุทธศาสนาเขาไม่ทราพักเสนึ่งกับไม่วังคุิภาพเท่านั้นนะฮะ พองพร็ดา<ภ>ันนเป็นรืั้นเลยนะอันนั้นเขาอยู่แล้พุ่งนั้นเขาก็ปนเรื่องสั้นเลยเสียสิ่งไหนโ้โหจ้าอันนี้คนอ้างวาเอาเป็นเรื่องย่างนะคำนั้ท่านก็เข้สมพระองค์จักเรื่องจักรราวยังวามากนั่งไอ้สัก้าใะมแต่ม่บอกแต่าเขาสั่งมากกับไปเลย่นยกตีกันเลยนี่นี่คือเรื่องนึอพระพุทธเจ้าขงพระจักเขาอยู่ในสันไหนสู้ในสันไหเขามีศรัทาในพระองคเจองระค์จักบัด เธอเบ่ ง, งจะเขานิมนต์พระองค์เจ้าเรียนห่อนดอกไม้เองสิพระองค์เจ้าของนี้ว่าพระอธิษฐานห่อนดอกไม้คนแอดจะหาพระองค์เจ้า พ, อ ง, อ, พองนี้เขานี้มัพระองค์เจ้าเมื่อไรยอมรายไรอยูอย่เถอะตอนนั้นอันพวกกรสันขันแกวพระองค์เจ้าชื่อปืนชื่อปืน แต่ระเทศนั้แขงเรือกันเร่องะไนะ้าเปาาอีอนหนึ่งนี่คือเป็นประเทศอินเดียบุ62ไ้บุอผู้หญิงก็ได้มันพวกกระโดดหน้ามึงลากบามันจะย in ั so so so mm ่ง hmm. ย yeah, si mm ื hmm. ่นพวกซีผงซีม oh ่้ผานยั่งนกออ่ะใหญมันนีอะไรันบางไม่มีมีอ่มีอืมเดี๋ยวนี้มีอ่พวกไม่ร้อ่านมันยินมันก็มีอยู่ แต่เส้นะครนะขาไม่นไรไม่เป็นไรยอยู่นั่งโบออดก็มพี่เรอแต่พี่เส้นอะไรนะานั่นขาไม่รักษาแน่ๆแต่กูจะไม่ได้จิตใจว่านะนั่งอัปคู่สาบไปแล้วพี่นั่งขาแต่มาอัปคู่สามันเลยหัวน้ไม่ราคาเหรอ น, จจนี่จากอะไรต้งเนว่าินข้าววั น, ว ม, นมันเนี่ยไคู่เสพทองเจ้าด้วยพอหงเจ้านี่ยปคนมากๆแล้วเนี่ยไปค้นมากๆาไปนูนก็ได้ครับแค่ดังชุ บ, บกระดาไรเสยแล้วครับ <laughs> ชุบกระดเวาอไรน่หงเจ้าไปค้นมากผมอามองเห็นหัวีก็ห สู่พระาที่เจ้าบที่้องไตสารยังอยู่ี่ะคุณจ้าอนคือก็เชิก็เ่ออรั่แต่ห้องจตุารยังจูงอยู่นี่พรคุีเรติรัอเช่นถือเอาเ่อนเนื้อเอาพ่อนบุตกันเนื้อย่างนี้ารว่าอะไรบ้างนี่ยนี่ยังไงนี่ยเนี่ยนี่ท่นสองพ่ ยังยังไม่สือสาายทหารม่อหาทารไปทางไหนเา่อยทหารเงียเงียบไปเงียบย่มันเมื่อก่อนมันป่อทหารมาปะทะเขาไว้นะทางปลายหงเลยเงียบไปทั้งหลายทีเออ้งเท่าไงไม่ได้มัน เท่ารก็เท uh, right. uh, uh, ่าก right. mm. ับเจ้าแผ่นด bon ินมั้งถูกมันเหลือเนดินได้คไม่ได้ไม่งนที่ก่เออไม่ง้ัไม่งอมันมไม่เป็นว่าเวงขาวออนอขาวเเพื่อนตัวหนกรเริ่มสาึงขาวเูเน เออโอ้ยุญยุตังินห้านึงโอ้ต้นจะมีาดกุ๊กเล่าใช่ว่าเขากทำบาอไรกินนเดี้นมาฟังเทิดปิดท่านนิดสาริโอ้ปิดท่านอยู่เลยเจียวกัหน่อยเจอมากันเลยเหรเจอมาดูเหตการว่ามันจะเป็นยังไงกนี้เาป็นพวกชาวสวน กคือคือเขาเข้ามาดูแลเขาเข้ามาได้แล้วชาติเขาจะไปฟังมํานี่ละเขาไปดูละแคลงเขาไปดูละแคลง อยากนอนซึ้งให้ได้สิ่งเดียวงูใหญ่ไหมปวดตัวปวดไหมปวดเขาปวดซาวไม่ดว่าอ๋อมันอยากจะตั้งตัวเป็นชาสวนมันไม่ใช่การเมืองหรือการเมืองด้วยออยี่กเมือีี่กอออันจง ไม่ต้องช่วยเขาทยได้จำรองทุกอย่ืมเห็นคือจริงลงเลยจ้ะจำลองเขาไปนั่งอยู่ได้ไปนั่งฟังอืมนั่งมีมีเสียงเลยใช่คนที่ไปทำมันมีมากไหมมีมากแล้วครับุคนเป็นล้านๆมันมีพันสองพันึงมี่นเหมัน แวนี่ท่านเนี่ยท่านเป็ราชาท่านก็สังเกตดูท่านอยู่เแล้วก็ไม่อยากท่านมีควารัจใช่เนี่ยแล้วก็คมักในใจที่พูดชมเราทำอะไรอยู่ตรงนี้อดีตที่ผ่ามาีังมีชีวิตชั่รันดร เขาก็ข้าสั่งทำนเะเลิมเามาบรัชาานิลั้ไฟปไปไุที่จากเรี่แหล คึกคึกลุ้นกไปทางเดิมคึกคึกเยมาน้อไปแล้วอ๋อต้องไปแแล้วใช่ไหมถ้าไม่ไม้จับสิทธิ์ท่านะใส่จับการนี่สมาร์ทกฟนเราค่กรบอกเงนว่าทีพระอื่นทำไมไม่จับการอย่าง พ่าส่วนคำประหลัดผีขายบ้า client, อ, อะไรม้างมันไม่จัดการหมักอะไรบอกว่าเวลานี้มันเหมือนมดกรเบื้ตัวขึ้นบ Clear. <c oughs> ้านนี่มดขึ้นมันขึ้นมานานแล้วแต่บ้านเมันพังนะมดขึ้นนี่แต่ตัวขึ้นนี่มันต้องจากัดกำกับจัดเนี่อบ้านพังแล้วอันนี้ใน ที่รักมันเหมือนตลกวัวต้องจัดการช้าไม่ได้หรือมอดตอรจัดการทีหลังได้ถ้าสมมติเี่ยแกสมัครมันเกียดเที่ยวแน่มันก็เก่ฉลนนี่จะเป็นรถนันด้ยที่พวกผู้แทนและทางนั้นมีมากว่าเขาเงียบครับเงียบนะัวมีผู้แทนอุบลมาทางไปสมัครทราแรกนฮะ ผู้แทนลูกบดก็ดีครับผีไปไปทางสมัครเลยทั้งตทงสมัครทอสมัครมาหาพวกเราเครับที่นี่ไปทางสมัครอ๋อไปทางอันโพธิ์ัรีเลยไหมไม่มกครับโอู้้พ่อผู้จาไม่มีทีนี่กายพระมหาเนี่กายผู้ที่เป็นผู้ท่านผู้ใหญ่นั่นไปทางไหนไม่มีก็ไม่มี มหานิทยายนั่นเองมาช่วยตั้งไปเขาลรายที่แต่ตอนนี้กำลังมีเรื่องนิดหน่อยตั้งอปุปชาปลอมมาอเริกาตั้งขายใบละแสนไปอยากขึ้นอุทธรณ์ไปหยอกให้ลายเซ็นกับลายเซ็นสมรภราิจิ้มซะด้วยคือตอนรักษาการสมร า, าูมิน่าสำเร็จผู้จัด า, านะทุกวันเนี่ยครับ ถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เป็นสงคราม่อพุะาจารย์วัฒนมหาธาตุนะท่านอ่านสโพนะโอ้ธรมะทาก็ไม่รู้เลยไนมหรอเส้นตอ่าะวกเลขากวกอะไรมันหลอกเนี่ยมันได้แค่เส้น ไวอุปชาพร้อนะออันนี้เป็นเรื่องมึงอีกครับอีกเรื่องหนึ <upright> <programming languages. S 2> ่งตากตตาางอุชานะตากตากชาเราไนเป็นะรเรื่องาาชื่อเรืละแสน่้ชื่อละแสนเลยนี่นี่าเรื่องนึงเอีกอันนี้มันเรื่องาเรื่องภายในหอันนไม่ไเอบ ถึงอย่างไรก็ขอให้สงบกันอยากให้น้องเลือกก็ก็แล้วกันโอ้ยน้องเหรอไม่ไม่นะจะมีอะไรไม่มีก่างมันมีกี่คนเท่าไรหรอกครับุเทพที่เขาโง่นี้ไม่กี่ครอกถึงบวกของไงอพอที่รักมหาธําจำลองท่านจะไปทางไหนเอมันมันก็เป็นมหาหมีเท่านั้นแหละเออเป็นมหาหมีเ ไม่รู้เรื่องหรอกรเอาไม่ง่ายมันปฏิบัติธทําก็ทำท่าเปนั่นแหลเล่นละครถามว่าคุณนี่ถือสินแปดสินแปดยังไงแม่งโกพอกพรอโรมอยู่เรื่อยเลยจลองสินห้ายังไม่ครอบมันจะได้แปดยังไง <laughs> น, นทงเล่นละครไม่ต้มตาอบตายตกคนเทพเลือกเป็นตัวว่า าวมหาาธเขาใส่ช no no ื่อภายนอกเฉยๆน่จะเป็นหรออมหานี่ยมีตั้งคับหนังสือิมัโอ้อย่างพร่นีก uh? ็อบวชแก้บ่ได้วันเสือกมาเรียบมหาหมีมหาอีบางเอใจใจแล้วัะกินตาอกไม่กินแต่เรื่องของมันนะมันแบิยไรมัน ไม่เชื่ออะไรมันได้ข้างข้างขอ ง, ขอ ง, ของรพระธรรมะ牟波ทีเจ้ามีอยู่ชมพูกะชมพูกะก็เป็นก็เป็นนิยายเมื่อเห็นคนมาก็ยืนยืนคาเดียวอ้าปากกินลมทาท่าให้ตัวค่งให้คนเลือ่อมสายคนคนนี้แต่ก็เดินธรรมดาแต่เห็นคนมาก็ยืนอ่ะปากกินลมต้องมองดูคนเก่อน มีลัดับต่างๆธรรมะธรสมารามาุติเจ้าของเรา <c oughs> ถึงอย่างนั้นก็ช่วยพระมาราวุติเจ้าของเราไม่ได้ ท, ทุกทุกโพล์ทีเดียวก็มีการแสดงพยันวะาก็มีทุกทุกโพล์พระธรรมารามุติเจ้าของเราธรรมารามุติเจ้าของเราจะร่มงไแล้วมากกว่าลากดเนาะถ้่จะนับันกลับก็อาจสงไข่สงไข่กลับอีกด้วย คำว่าอาสงไครสงไครกับนั่นจะมีกี่ล้านกว่านับล้านไม่ได้อีกเหมือนกันล้านล้านก็ยังไม่พอมากกว่าล้าน้านอีกเคาว่ากับคาว่าอสงไคร์สงไคร์ทีนี่แต่กับก็เป็นอาสงไคร์สกไคร์กับใช้แล้วทีนี้กับหนึ่งยาวขนาดไหน น, นับแต่พระกะุสันโธพระโกนาคนโโมโนพระคตโผพระโคตโมยังอีกอริยเมตโยแล้วจึงจะเป็นกับหนึ่ง ถึงอย่างนั้นก็มากก็รลโกรธกลับที่นี่สาวว่าพระพุทธเจ้สาสมัยเหล่านั้นถึงอย่างนั้นก็มากก็อาชองไขรอาองใครกับทีนี่สาวว่าขอพระพุทธเจ้าเหล่านั้นจะมีมากเท่าไรสายิกาของของท่านเหล่านั้นจะมีมากเท่าไรมันกระนับได้ไม่ไหวเหมือน ก, กันทีนี่ศาสนาทสุขศาสนาของพุทธมรารถุทุเจ้าของเราทนี่มันเป็นสิขาบ ท, ทอันเดียวกันเป็นธรรมอันเดียวกันไม่ได้เพิ่มเติมไม่ได้แก้พอระเบกัน มีิ้นสมัยทีย่เป็นยาอันียวกันไม่ได้แก้พรบรกันองค์กรนั้นไม่อยบกทำไม่เหมือนเราไม่ได้อวดอ้างกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนพอรบทางโรคของเราไมื่เหมือนกฎหมายทางโรกของเรามัาลงเออกันหมดไม่ได้ครับค่ากันลงเออกันหมดเพราะมันเป็นธรรมพอแล้วมันเป็นธรรมมาธิปไตยคําสอนมันก็มัก็พุทธศาสนาเนี่ยธมาทิเบตยัยไม่ใช่อากาทิเบตยัยไม่ใช่โลกาทิเบตยัยเป็นธรรมมาธิปไตย ทีนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะมีกี่ร่างร่านก็าตามพระอรหันสาวกจะมีกี่ร่างร่านก็ตามพระอรหันสาวิกาผู้หญิงจะมีกี่ร่างร่านก็าตามจะมาสวดถอนให้พระเสดดาบันเป็นพุนทธชนคนหนาก็สวดถอนไม่ได้เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงเขา ร, รักธรรมรัพพโมคักาตตาโบเขารัธรรมข้างไม้ทีนี่ จะเรียนมาจากประเทศนอกซักเปลี่ยไหมก็ตามล้วต้องอาศัยดึงถ้าอย่างนั้นก็เสียงกันตันกังค่าก็อาศัยระดับน้ถ้าอย่างนั้นก็เสียงกันตอนกังค่าท้างในก็ดีจะปกครองกันด้วยวิธีไหนก็ตามก็ต้องอาศัยดึงดึงคืออะไรคือคำสอนของอพุทศาสนาในฐานะมัะ น, นมคือคำสอนของอพทธศ า, าสานาการศาสนาใดๆกฎหมายใดๆที่ไม่ เองคำสอนของอภิษฎศาสตางย่อมไม่เป็นสุขมกตัวอย่างเช่นประเทศจีนของเราในเองะจะไม่เรียกว่าพี่อนนองพวกนี้จะเป็นกันถึงขนาดนั้นพราะนานสงครเมืองกันพวกพี่นนอกของเราเหมือนกันอยประเทศเอเชียเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุเสื่อมีหลาบมีบุญนั่นเอง คนนึงเอากำปั้นคนนึงเอารถถัง <c oughs> คนนึงร่างขอคนนึงเอารถถังคนหนึ่งอาปืนคนนึ่งนนนนนนร่างขอพวกข้ารักษาแข่งอยู่เหมือนกันสมมติแน่งเป็นธรรมความชั่งเป็นธรรมมันก็ถูกแ พ, อออกก พ, กพก้อยู่ในตัวถูกไหมมัน ก, ม ก, ก, าามก็ถูกแพ้ถูกแพ้โลกเสรีอยู่ในตัวถูกไหมถึงพวกนั้นจะตายมากก็การก็ถูกแพ้อยู่ในตัว ก็เอ า, านเคนตัออกมาเลยอะถูกไหมอืมจะได้เรื่องน้ำปูเป็นนิ่งในถุงน้ำดีีใครเป็นคนบอกชิขลิ่นเขาก่เขาเพชรสลีเพชรสลีตัวหนึ่งขนาดนี้แหละตัวหนึ่งก็ขนาดนี้แหละตัวนึ่งก็ขนาดนี้โยารกับขนาดนี้เขาถ้ า, าว่าจะทาให้มันละลายเนี่ย มันจะมาอุดถึงน้าดีมันจะตายไว้ไว้ให้มันเยอะน่อ่ะมันไม่ยอนหรอกก็ว่าอย่างไ้แถ่าให้ผ่าเขาก็ผ่าเร็วที่สุดแต่ว่าวงปูสมาทานไม่ผ่าแล้วผ่าไม่ได้หรอกผ่าไม่ได้ก็ไม่ต้าถ้าเขาผ่าเขาผ่าคเรียนได้สามกิจนาทีได้ไหมมันไม่ต้องผ่านะครับไม่ต้องผ่าผมมียาดีกินสีห้า่ันสบายเลยแล้วบำรุงให้ทาให้ถุงน้ำดีก็ตับดีด้วยครับ เป็นยาสมุนไพรจีนนี่ที่สุดรับรองว่าเจ็ดวันนี่ไปหลวงปู่ไาเอ็กซยจะไม่ ม, จ ม, มีจะไม่เห็นเขาเขาบอกนี่เขาแดกให้กินสมุนไพรจีนใช่ไหมครับใช่ <c oughs> หรือสมุนไพรอันนี้มันความใจแค่ของหมอแค่แผนปัจจุบันผมว่ามันไม่ถูกรอกในโลกบางโลกนะอ่า เราเชื่ออยู่อย่างแพทย์แผนปิบันเขาเก่งการวัดการอะไรนี่แน่นอนแต่ก็ไม่ควรจะมาเหยียบย่ำในพวกเกินสมุนไพรที่เขามีดีๆก็มีอย่างเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกนี่เป็นโรคที่ไม่มียาแค่แต่จะมาห้ามแม่เขากินสมุนไพรนี่ไม่ถูกครับใช่ใบว่านลังจืดนี่ทิ้งไปเพื่อข้างบ้านมันกาน้ำใส่ลงไปให้เด็กกินสองสามวันก็หายเลยรับรอง เอ<ม>อบ้านลราจื้อย่างเดียวมันมันไม่ถูกอย่างโรคหัวใจ น, น, นี่ไอไอไอสมุนไพรจีนเขาก็มีดีอยู่ืออาทิตย์สัปดาหนึ่งกินครั้งเดียวกินกับอาหารเลยอืมกินก้มซุปนี่ต้มจือืมไม่ใช่เป็นข้ามาต้มกับมาชอวต้มกับไข่ก็ได้นจืด ไม่ใช่ในสมุนไพรกินมีสองคุณสมบัตินะสารกระตุ้นทำให้การสูขียนยังไม่เส้นจะปวดเดียวนี่ยะเยไม่จะปวดหรอกแล้วเขาบอกว่าแล้วปู้ะตายก่อนยังไม่ทําตัวเรื่องดอกเขาว่าเพราะมันอยู่ทางไกลเขายางน้ทันเป็นอันตรายอกเขาว่าเนืว่ามันถ้ามันทรมานก็ลองยังไม่ทําทรมานหรอกเขาบอกว่าแล้วปูต้องได้ก่อนออเงย ให้ดูตั้งใจก่อนตจก่อน อ, อ, อันนี้มันจะเกิดเหตุเข่เพราะมันอยู่ไกลเพราะมันไม่รวมมันมัน่าหรือเจ๊ถ้าเราทำให้มันแตกมันสลายเสร้ามันจะไปอุดเข้าไว้ถ้ามันอยู่ น, น, น, น, ยยนั่นจะเ า, า, ามันอยู่นะั่นจะเกาะเข้าไแต่ ว, นะว่าคว า, าใจก็เท่เาะงบ้างเนี่ยเท่าไรบ้าง ยากอติมาให้นม่ามาแล้วได้ยินเาอเก็หลปูิน้ัดีเอเียมาชื่อมาแล้วเน่ยร้างพรากาให้นอผมเปิดพันอมชื่อมเรียบร้อยมากเขาบอกว่าห้ามเลยหปายาสก็เลิกบระบแล้วยาขนาดนี้รับรองว่านเข้าไปแล้วก็เห็นมันแล้ไอ้เวียนสมเวีนอ่าอเป็นดีซ่านเ่ยะ แล้วมาลเรียลงตับเลยกินยาขนาดนี้เข้ไปแล้วก็เยี่ยวในทุนี้ออกัแล้วก็หายอีกขนาหนึ่งนี่เขาเอามาแอากรหนึ่งเขาก็ห้ามาให้กินแล้วก็เลยฟังคำเขา้างเพราะถ้าหา่าเราปวดเรา็ขาฟังแล้วเราไม่ปวดเราก็เลยฟังดู้แต่อนถ้าเราปวดเ้าไม่ได้ฟังก็แท่ละถ้าเมาเจ็บละเาไม่ฟังละแล้วเสียองถ้าเราไม่เว็บเราฟังถ้าถ้าถ้า้าเราปวดปวดมา เราต้องอละนี hai, hai, ่ม ng ันยังไม่ปวดเลยไม่ได้ปวดอะไรหรอกสวยๆนี่กิต้ิงยเจีนมันคือยาสะดาหายหายไปยเหมือนตุดเงาใหม่โซีว่าโดหายๆวนเดียวัยสะดาอันนี้เขาอเลยาร์ดใหม่โดนใช่เดีขาไว้ายไวแล้วก็คิดยๆดูใกนะครับู้ใคุ้ อันทอันเทาโอเหือไม่ื้อต่มยเขาต่าเาเอเาชุบุบนะบบวางงูทางโคกวคคนัมัาก็เอามาใส่เลย่ะันยัไม่ปวดเราขก่อน พีมใคัวมาบ่อยฮะ TV ่มีใครบัววันนี้หลายวันแล้วมาบ่อนะแต่าวก็มาบ่อแต่ว่าห้ายวันนี้คราวนี้คัจะถึงชั่วโมงวันนี้ลูกดันแค่ใหญ่ลูกดันเล็กกว่าเขาเขาสบายไหมสบายดีเขาเขาเขาสบายอยู่เ่งก็ปูเ่งนะอืเป็นคอเบอสบพูดเข่ ตัวตัววังได้ััวาคอยู่เนงาอกหมดหมดฮะว้าขวท่านนี่จงูงะขวัท่านฮะงัมาตามเดียวว้างั้นจะได้บ้งตัวถึหนอย่า ตงกาอะไรขางหน้าผมนนี่ยแกเลยมีเนี à, ่ยแกเลยมเมี่ยแกเลยมีมันฟ้ากันเร้ากันเนี่ยพิษส่ตวตัวน่ะรอาจจะ่ได้หน้าละรอ๋ออันนี้ละัตว์มั้หาเราะเนีี้เงีงเงี้ยตังหน้าเขานี่ไม่รับได้สด่ที่รัด้หม่ากลัวนะครับแต่เพดถต้องนีขึ้นฝั่งนี้เ เออแล้วพอเอางตรงนี้นะไปอย่าก้มหงายไปจกไปจุกอือจุกไปุกนเราคันแรกน่มากน้วะมันถือ่าแรกแรกาครับแต่มันแรกเนี่ยสวนี่อกว่านมันเยยหืดหย่นอยากใ้เล่าก่อนเขาพักทานี่ัมันเยอะเยืด่นนังน่เขาพัทานนี่นัือนึ่งบ่อืออยาก้่อนนกั เพื่อนน้อยแค่ไ่สูงก็เนเยสูงก็สางโดยเพื่อนน้อยแค่นี่สงอเาก็สูงกับคนที่ให้ไหรอลองกันนะสูงสุด้็ไม่ให้เลย